เราจะเล่านิทานเนี่ยเดี๋ยวจะให้ลูกเนนท่องนะให้หลวพ่อห้าข้อก่อนเด็กดีข้อที่หนึ่งเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ข้อที่สองเป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์ข้อที่สเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนข้อที่สเป็นพลเมืองที่ดีของชาติข้อที่หเป็นสาวกที่ดีของพระพุทธเจ้า อ่ะลูกเนนศีสจารณีท่องดีห้าอย่างจาได้ไหมเอาใหม่เอาใหม่พร้อมงานท่องพร้อมกันอ่ะเอาข้อหนึ่งข้อที่สองข้อที่สาข้อที่สี่ ข้อที่ห้าอุ้ยลูกเนรฟังจำดีทุกคนเลยนะบางทีหลวงพ่อพูดเองจําไม่ได้เลยอย่างนี้ฟังนิทานได้วันนี้หลวงพ่อจะ น, นํานิทานมาเล่าให้พวกลูกเนรฟังลูกเนรตั้งใจฟังหน่อยนะเพราะว่าถ้าไม่ฟังอ่ะก็จะไม่รู้เรื่องถ้าหลวงพ่อมาได้เล่าบ่อยๆทุกเรื่องมีแง่คิดมีธรรมะ ส, สอดแทรกเคยลงใน Facebook เคยทําหนังสือไปแล้วอตั้งใจฟัง เรื่องแรกจะเล่าเรื่องกบลืมตัวเคยได้ฟังยังกบลืมตัวมีกบอยู่ตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในสระของวททัดแห่งหนึ่งกบตัวนี้ทุกวันจะเห็นพระออกวิทบาทเพราะกับเด็กวัดขากำ ม, มาได้อาหารมากมายกบก็มีความรู้สึกคืออยากเป็นพระมั่งอิจฉาพระพระสบายมีคนใส่ของถวายอาหารมากมายกบก็อยากเป็นพระ พระทานอ า, านหารเสร็จพระก็เอาอาหารเนี่ยเอาโปให้ไก่กินไก่ก็มาเป็นฝูงเลยมาลุมกินอาหารที่พระให้กบเห็นเข้าก็ตอนนี้อยากเป็นไก่บ้างแล้วเห็นว่าเอ๊ะไก่สบายเป็นพระที่ลําบากต้องไปบินทบาทเดินต้องไก่เวลได้อาหารมาต้องหอบต้องฮิ้วมาไก่ไม่ต้องทำอะไรเลยถึงเวลาพระเอาอาหารให้กินกบอยากเป็นไก่ขณะที่ไก่กําลังย่างอาหารกินอยู่นั้น ก็มีหมาวิ่งมาไล่ไก่ไก่วงแตกเลยกบเห็นดังนั้นก็อยากเป็นหมาบ้างรู้สึกว่าเป็นหมาเนี่ยดีกว่าไก่ไก่กลัวหมาอย่าลูกเด็กเห็นว่าที่วัดเราเนี่ยเวลาให้อาหารไก่อะหมาจะมาไล่ไก่ไก่หนีก็เจิงเลยอารมณ์นั้นแหละกบก็อยากเป็นหมาหมาก็กินอาหารอย่างมีความสุขและยังไล่ไก่ไปแล้วนะสักพักหนึ่งเด็กวัดเห็นเห็นหมาไล่ไล่ไก่นะลังแกไก่ เด็กวาก็หมั่นไส้จึงหาไม้มาไล่ตีหมาหมาก็ร้องเองเองหนีไปกบเห็นดังนั้นกบก็อยากเป็นเด็กบ้างรู้สึกว่าโอ้โหเป็นเด็กยังเก่งขนาดนี้หมายังกลัวถ้าโตขึ้นวันนี้จะน่ากลัวขนาดไหนเป็นเด็กดีกว่าเด็กหลังจากไล่หมาจนเหนื่อยก็ไปดั่งพักใต้ต้นไม้มแมงวันหนึงก็บินมากวนเด็กก็รำคาญแมงวันบนบั่นแหละบ่นโวยวาย ไล่แบงวันก็สู้แบงก์วันไม่ไหวอ่ะแบงวันบินเร็วตีไม่โดนจุดลำคาแล้วก็หนีไปกบเห็นทั้งนั้นกบก็อยากเป็นแบงวันบ้างอุ้ยแบงวันเก่งกว่าเด็กนะเด็กสู้แบงวันไม่ได้ตอนที่กบอยากเป็นแบงวันแล้วกบก็คิดอะไรเพลินไปเพลินอ่ะแบงวันเนี่ยบินมาท่าไหนก็ไม่รู้มบินแถวหน้ากบไปแหละบินเฉียดไปเฉียดมาแหละกบมันก็เลยตวัดลิ้นตวัดแบงวันเข้าปากเลยตอนที่กบถึงรู้ว่า โอ้ oh, <im itation> เป็นตัวเราเองดีที่สุด <im itation> เราเนี่ย <im itation> กินแบงวันนิทานเรื่องนี้ก็จบแต่แง่คิดของมันก็คือลูกเนเนี่ยเป็นตัวเองดีที่สุดแล้วอยากเป็นตัวเองไหมหรืออยากเป็นคนอื่นมีคนมาขอซื้อตาเราเนี่ยข้างละล้านเราขายไหมใช่แล้วบางคนอาจจะฐานะแตกต่างกันแต่เราเองเนี่ยจะมีกรรมไม่เหมือนกันนะบางคนก็ป่วยพิกงพิการบางคนก็อายุสั้น มีโรคภัยไข้เจ็บเปีเป่ยนอยู่ทั้งแต่ละคนจึงมีกรรมเหมือนตัวเองอย่างที่เมื่ อ, อสักครู่หลงพ่อช้างนําสุดมนต์อภินินหปรปจเวกให้เป็นตัวเราเองดีที่สุดแล้วเราก็ต้องรักตัวเองรักตัวเองก็ต้องพัฒนาตัวเองอย่างลุกเลนที่อยู่ข้างหน้าหลวงพ่อไม่ตั้งใจฟังแล้วก็อ่อนแออีกหน่อยอีกหน่อยจะทําให้เรา เ, เป็นคนที่ไม่เข้มแข็งตั้งใจฟังหน่อยอามณิธานเรื่องที่ทเรื่องที่สอง เ, อองเออรื่องอแปะรับพรที่หมู่บ้านแห่งหนึง่ง มีผู้ใหญ่บ้านชื่อว่าผู้ใหญ่โกผู้ใหญ่โกก็ดิมนพระมาทำบุญขึ้นบ้านใหม่บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความคึกคักสุขสนานแหละในที่นั้นก็มีอาแปะซึ่งเป็นเพื่อนของผู้ใหญ่โกมาร่วมด้วยคันถึงเวลาพระให้พรพระก็ขึ้นว่า อายุวัตทกโกธานวัตทกโกสิริวัตทกโกยาสวัตทกโกพลาวัตทกโกวันนวัตทกโกสุขวัตทกโกโหตุสัพธาอแปะได้ยินแล้วขนลุกสู้เลยเพราะนึกไปถึงว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้เขาให้พรกับหารนี่เชเหรอให้พรเอ่ยชื่อของผู้ใหญ่โกทุกคำเลย <S <S คืออแปะเนี่ยมีความรู้ทางพระพุทธศาสนาเนี่ยปูปูวปาไง ก็มีความรู้สึกว่าพ้าเนี่ยให้พรผู้ใหญ่โกเป็นเอเอชื่อด้วยแหละอแปะก็ปลื้มใจมากหลังจากจบงานนั้นแล้วก็ไปบอกผู้ใหญ่โกบอกว่าขอให้นิมนต์พ้าชุด น, นี้ไปทำบุญที่บ้านตัวเองบ้างผู้ใหญ่โกก็ไปนิมนต์มาให้และแล้ววันที่รอกคอยก็มาถึงอแปะจัดงานทำบุญซะใหญ่โตเลยต้อนรับแขกเรือร้องฮ่อตลอดถึงเวลาที่รอคอยคือพ้าให้พรนะ พักให้พร อ, อายุวัดทโกธนวัดทโกอิศรีวัดทโกยาสวัดทโกพาละวัดทโกอแปะฟังแล้วเศร้าใจมากเลยอแปะเข้าไปบอกพระบอกว่าพระพระอุ้ชื่อแปะนะไม่ใช่ชื่อไม่ใช่ชื่อโกพระที่สวดบนอยู่จึงรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจึงกระซิบหัวหน้าให้รู้กันจึงเปลี่ยนบทสวดใหม่ อายุวัฒน์ตาแปะธนวัฒน์ตาแปะเสรีวัฒน์ตาแปะยาสวัฒน์ตาแปะพาลวัฒน์ตาแปะวันณวัฒน์ตาแปะสุขวัฒน์ตาแปะอาแปะหัวเราชอบใจรีรีฮ่อฮต้องอย่างนี้ดิทานเรื่องนี้ก็จบแต่มันมีแง่คิดตรงที่ว่าบางครั้งคนเรารู้อะไรไม่จริงเนี่ยมันจะเข้าใจผิดได้ก็ต้องศึกษาให้รู้รู้ให้ตลอด รู้อะไรรู้ให้จริงอย่ารู้ปูว่าปลาอ้าวตั้งใจฟังเรื่องที่สามคุณนายทำบุญมีผู้หญิงคนหนึ่งเธอชื่อว่าโตเป็นเมียนายตำรวจใครๆก็เรียกเธอว่าคุณนายโตเธอเป็นคนที่ใจบุญสุนทานทำบุญอยู่เสมอไม่ได้ขาดแต่เธอก็เป็นคนที่บ้ายอและเป็นคนที่เอาเด็ใจตัวเองไม่ชอบให้ใครขัดใจวันนี้เธอก็ได้จัดงานทาบุญฉลองวันเกิด ครบ50าปีโดยนิมนต์พระครูวัดใกล้ๆที่ใส่บาทอยู่ทุกวันเนี่ยมาฉันเพลงบรรยากาศในงานก็เต็มไปด้วยความคึกคื้นและไปกันเองเพราะคุณนายเนี่ยสนิทกับพระครูที่มามาสวดมนต์ทำบุญวังเกิดคือมาแกเนี่ยมาละ บ, บาตรทุกเช้าแล้วคุณนาย่ใจบุญก็ทำบุญทุกวันจนมักคุ้นกันคุยเล่นคุยอะไรกันแหละขั้นถึงเวลาที่พระ ฉันเพยเสร็จแล้วให้พรพระครูกข็ขึ้นยะถาวลีวหาปูลาปริปูเลนตีสาคลังเอวะเมวะอิโตทินางเปตานางอุปกรัปรปติคุณนายบวยเลยจนแบบวงแตกเลยพระครูทำงี้ได้ไงก่อนที่จะฉันเพยยังเรียกฉันคุณนายโตอยู่เลยพอฉันเพยเสร็จแล้วมัเรียกฉัน อีโตได้ยังไงคือพระครูเนี่ยก ร, กระเอื่อนเอื่อนครับว่าอีโตนานไปหน่อยคือมันผิดจังหวะไงคุณนายก็ว่าพระครูได้เรียกแกว่าอีโตแล้วกโกรธเลยไม่ฟังเหตุผลฮะขันเขินก็โจงกระจายหมดอะขันน้ำมนพระครูอธิบายไงแกก็ไม่สนใจเหตุการณ์วันนั้นคุณนายก็ไม่ยอมใส่บาตรให้พระครูอีกเลยคันถึงวันเกิดปีต่อมา แกก็ไปนิมนต์เจ้าคุณที่อยู่ไกลมาสวดมนต์ที่บ้านคั้นคุยกับเจ้าคุณเจ้าคุณก็สงสัยว่าทำไมไม่นิมนต์พระครูที่อยู่ใกล้คุณนายก็เล่าให้ฟังอ่ะว่าพระครูใช้ไม่ได้เลยก่อนฉันเนี่ยเรียกคุณนายพอฉันเสร็จแล็กอีโตเจ้าคุณจึงรู้ว่าอะไรเป็นอะไรคานถึงเวลาให้พรเจ้าคุณก็ยาธวารีวหาปูลาปริปูเรนติสากลัง เอวะเมวะคุณนายโตทินนางเปตานางอุปกับปติคุณนายคุณนายตบมือชอบใจเนี่ยมันต อ, อย่างนี้นี่ยถึงจะโดนใจนิทายเรื่องนี้ก็จบคุณนายโตเนี่ยแสดงให้เราเห็นว่าเป็นคนที่ยึดถือตัวตนชตัวตนมากเลยแหละเป็นคนชอบคำชมคำเยินยอถ้าใครพูดบิดหูก็จะโกรธ แสดงความไม่พอใจออกมาอามานิทานเรื่องต่อมาเรื่องคนเหมือนกันสมัยกรุงเสีอยุธยาวันหนึ่งพระเจ้าเสือเสด็จไปนมันส ก, การพระพุทธบาทที่สระ บ, บุรีโดยทางน้ำพระองค์ได้นำมหาเล็กคนเสด็จติดตามไปด้วยพร้อมทหารและฝีพายเรือพระที่นั่งก็แล่นต่างน้ำมาเรื่อยเืฝีพายเจวเรือมานานก็เริ่รู้สึกเหนื่อย เหลือไปเห็นมาเลขนั่งหลับสบายก็เกิดความอิจฉาก็บ่มาเบาว่าก็คนเหมือนกันนี่วาพอพายไปสักพักหนึ่งก็หันกลับมามองมหาเล็กที่ยังหลับสบายอยู่ฝีพายชักไม่พอใจจึงพูดดังกว่าเดิมว่าก็คนเหมือนกันนี่วาพระเจ้าเสือสังเกตก็รู้ว่าฝีพายเนี่ยกําลังคิดอะไรอยู่คั้นเสด็จไป ถึงที่พักชั่วคราวพระองค์เห็นสุนัขออกลูกอยู่ข้างล่างจึงคิดอุบายที่จะสั่งสอนฝีพายขี้ฉายลู้สํานึกจึงเรียกฝีพายมาแล้วสั่งให้มหาเล็กไปทําธุระที่อื่นก่อนแล้วพูดกับฝีพายว่าเองไปดูซิว่ข้างล่างเสียบมีเสียงอะไรฝีพายคาดเข้าไปแล้วกลับออกมากลับทูลว่าสุนัขออกลูกพระเจ้าค่ะ พระเจ้าเสือถามแล้วทบกี่ตัวล่ะฝีพายคานเข้าไปครั้งที่สองแล้วกลับออกมากราบทูลว่าสี่ตัวพระเจ้าค่ะพระเจ้าเสือถามต่อแล้วตัวผู้กี่ตัวตัวเมียกี่ตัวล่ะฝีพายคานเข้าไปครั้งที่สามแล้วออกมากราบทูลว่าลูกหมาตัวผู้สองตัวตัวเมียสองตัวพระเจ้าค่ะพระเจ้าเสือ ถามอีกแล้วลูกหมามีสีอะไรบ้างล่ะฝีพายคารเข้าไปครั้งที่สี่แล้วออกมากราบทูลว่าลูกหมาสีดำสองตัวเสียมตาลสองตัวพระเจ้าค่ะพระเจ้าเสือถามอีกแล้วแม่มันสีอะไรล่ะฝีพายคารเข้าไปครั้งที่ห้าแล้วออกมากราบทูลว่าแม่หมาสีนวลพระเจ้าค่ะพระเจ้าเสือรับสั่งให้มหาเล็กคอนิทมาแล้วถามว่า เอ็งลงไปดูซิข้างล่างมีอะไรมาเล็กหายไปสักพักใหญ่แล้วกลับขึ้นมาถวายรายงานว่าข้างล่างมีแม่หมาออกลูกสี่ตัวสีดำสองตัวสียำตาสองตัวแม่หมาสีนวนพระเจ้าค่ะพระเจ้าเสือตัดกับฝีพายว่าไหนเอ็งบอกว่าเป็นคนเหมือนกันแล้วทำไมไม่เหมือนกันเอ็งคานเข้าไปต้องกี่ครั้งถึงได้คำตอบแล้วไอ้มหาเล็กเนี่ยมันคาน เข้าไปแค่ครั้งเดียวสามารถตอบได้หมดอย่างละเอียดถี่ถ้วนคนเหมือนกันแต่ปัญญามันไม่เหมือนกันนะเข้าใจไว้ด้วยนิทาเรื่องนี้ก็จบแต่บรรมีแง่คิดนะว่าผู้ลูกเรนเนี่ยแต่ละคนจะเก่งไม่เหมือนกันแต่ละคนจะมีความสามารถแตกต่างกันมีความาชอบไม่เหมือนกันทุกคนพึ่งพาใสายกันได้แต่อย่าอิจฉากันพระศีลจารณีก็เหมือนกัน จะไม่มีใครเก่งเหมือนกันกรหรอกในวัดเนี้ยส่วนมากจะเก่งในสีตัวเองชอบสีตัวเองไม่ชอบก็ไม่เก่งบางคนเก่งคอมพิวเตอร์บางคนเก่งถ่ายรูปบางคนร้องเพลงเก่งบางคนทำงานเป็นช่างไฟช่างก่อสร้างอะไรต่างๆเนี่ยหรือเป็นหมอแต่ละคนจะมีวิชาชีพที่ตัวเองเนี่ยรักมันจะไม่เหมือนกันบางคนก็ฉลาด มองการกา์ไกมองหลายชั้นแต่บางคนได้คิดอะไรไม่เป็นเห็นเฉพาะหน้าเท่านั้นเองคนที่เห็นงานเฉพาะหน้าเนี่ยส่วนมากก็เป็นลูกน้องไม่ค่อยเป็นหัวหน้าหรอกเป็นหัวหน้าไม่ได้เพราะมองไม่ค่อยลึกคนที่เป็นหัวหน้าได้จะต้องมองกว้างเลยแหละมองกว้างมองคนมององรวมทั้งทุกสี่วอย่างแต่ขึ้นอยู่กับเราเนี่ยถ้าลูกเนรตั้งใจฟังหลวงพ่อแล้วตั้งใจหาความรู้นะภายภาคหน้าอาจจะเป็นเจ้านายคนก็ได้แต่ถ้าขี้เกียจ วันที่ฝั่งธรรมะเราไม่ใส่ใจเห็นกันกินเห็นกันเล่นเห็นกันเล่นเกมต่อขึ้นก็เป็นลูกน้องเขาเอาตัวไม่ค่อยรอดนั้นลูกเนยก็จําคําหลวงพ่อไว้ก็แล้วกันอยู่ที่เราเนี่ยจะเลือกเอาเราอยากเป็นลูกน้องอยากเป็นลูกพี่อยากเป็นเจ้าของกิจการเราเลือกได้อยู่ที่เราเลือกนิทานเรื่องนี้ก็จบต่อไปนิทานเรื่องสุดท้ายดันลืมดูดตัวเองลุงมีแกเป็นลูกหัวใจ ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งก่อนที่แกจะมาโรงพยาบาลเนี่ยแกซื้อลอตเตอรี่และถูกหวยรางวันที่หนึ่งสิล้านโดยลอตเตอรี่อยู่กับลูกชายลูกชายรู้ว่าถูกหวยก็ไปกล่าวบอกลุงมีกลัวแกหัวใจวายตายไม่รู้จะทำไงจึงมาปรึกษาหมอที่ดูแลรักษาลุงมีอยู่คันคุยกับหมอหมอก็บอกจะจัดให้จะหาอุบายพูดให้ลุงมีรู้ว่าถูกหวย โดยแม่หัวใจวายตายคั ถ, ถึงเวลาหมอก็ไปพูดเกี้ยกอบมาแหละให้ข้อคิดทำให้แก่สบายใจแล้วก็เกิดขึ้นมาว่าลุงลุงรู้ไหมสมมุติว่าถ้าลุงเนี่ยถูกรตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสิบสองล้านเนี่ยลุงจะเอาเงินเนี่ยไปทำอะไรบ้างลุงมีเยอคิดอยู่คู่หนึ่งจึงตอบว่าลุงเองก็แก่แล้วถ้าได้เกินสิบสองล้านจริงเนี่ยจะแบ่งให้ลูกหลานส่วนหนึ่ง ลุงใช้ยามแก่ส่วนหนึ่งที่เหลือครึ่งนึงเนี่ยว่าใช้หมอทั้งหมดเลยเพราะหมอเนี่ยขณะที่ลุงมาอยู่เนี่อดูแลลุงดีมากเลยนี่ผู้จริงนะลุงให้หมอเลยหล้านหมอได้ยินดังนั้นเนี่ยหมอค่อยช็อกหัวใจวายตายเลยเพราะหมอเองก็เป็นโรคหัวใจเหมือนกันนิทานเรื่องนี้ก็จบหมอได้ลืมดูตัวเองอะ่ะตัวเองเป็นโรคหัวใจก็วันนี้เอาแค่ขอบปะของขอก่อน เราอยู่ด้วยกันหลายคนบางทีเพื่อนเราอาจจะขัดใจเรามั่งอาจจะถูกคอท่าตรงกันหรืออาจจะเคมีไม่ตรงกันแต่เพื่อนก็มีส่วนดีนะเราก็ต้องเห็นใจซึ่งกันและกันลูกนี่ต้องรักกันไว้ตั้งใจบวชเป็นเด็กดีอย่างที่ตอนแรกเราพูดอะเป็นลูกดีของพ่อแม่เป็นสิทธิ์ดีของครูบาอาจารย์เป็นเพื่อนดีของเพื่อนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติเป็นสาวกที่ดีของพระเจ้าอันนี้ถือว่า เป็นเด็กดีต้องมีห้าอย่างนี้เมื่อกี้ก่อนที่หลวงพ่อจะมาเนี่ยไม่รู้ว่าใครท่องกรมองในแง่ดีเถิดหลวงพ่อจะท่องก่รได้ฟังอีกครั้งหนึ่งเพื่อลูกเรียนจะได้จําได้เขามีส่วนเร็วบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์แก่โลกบ้างอย่างน่าดูส่วนได้ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยจะหาคนมีดีโดยส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวค้นหาสหายเอ๋ยเหมือนค้นหาหนวดเต่าตายเปล่าเอ๋ย ฝึกก็เคยมองแต่ดีมีคุณจริงอ่ะขอจบแค่นี้นะ